อย่างหลายวันก่อนนิยมนิยมในห้องเรานี่แหละเราให้ฟังว่าผู้ที่ปฏิเสธพระไตรปิฎกเนี่ยนะอ่พูดหน้าตาเฉยอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยนะพวกพูดพระไตรปิฎกหลบๆไปอยู่ตามป่าแล้ ว, วก็จะได้เรียนพระไตรปิฎกได้เนี่ยน ะ, นะอ่ามันเป็นจริงไหมละ่ะก็ดูเอากันแล้วกันแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ถ้าใครปฏิเสธพระไตรปิฎกนะมีสิทธิ์ออกทีวีนะ ต้องมีบุญเก่ามาหน่อยนะออกทีวีเพื่อปฏิเสธว่าเออเชื่อไม่ได้หรอกมันอายุยืนมาปานนี้แล้วยังงั้นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ากล่าวตามพระไตรปิฎกนะก็ไปแอบบแอบบพูดเอานะถ้าในวัดก็ต้องไปพูดท้ายวัดน่นนะ่ะเดี๋ยวเขาจะได้ยินเข้าเขาจะไม่ให้อยู่วัดกับเขานะเพราะฉะนั้นก็มันร่วงโรยไปสัมหมดแนหะละหลายเรื่องซึ่งท่านรู้แล้วนะนะว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้แหละแต่ว่าถามว่า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 เพื่อที่จะรักษาธรรมวินัยสืบทอดมาจนถึงยุคเราทั้งหลาย น, นะเพราะท่านเห็นเหตุเหล่านี้ตอนหลังพระพิสุทั้งหลายก็กล่าวว่าคือหลังจากพระหมหากรสปะปรารบเหตุนี้เสร็จพิกสุก็บอกว่าข้าแต่ท่านพระกรสปะผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระหมหากรสปะโปรดเลือกภิกสุทั้งหลายเถิดว่าจะสังขายาณาธรรมวินัยเนี่ยนิมนต์เลือกเธอจะเอาใครล่ะ พระกัสสปะเถระก็เว้นภิกษุที่เป็นปุตุชนปุตุชนนี่หมดสิทธิ์เข้าสังขยาพระโสดาบันก็หมดสิทธิ์พระสกอาทาคามีก็หมดสิทธิ์พระอนาคามีก็หมดสิทธิ์พระอรหันตุขวิปัสสกะก็หมดสิทธิ์ผู้ทรงปริยัติแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นถึงจะทรงปริยัตคือทรงพระไตรปิฎกจํานวนทั้งสิ้นก็ตามเพราะฉะนั้นคัดออกหมดเนี่ยนะขนาดว่าเป็นพระอรหันต์นะสุขาวิปัสสกยังไม่มีสิทธิ์เข้าเลยอะ ท่านเลือกเอาเฉพาะพระอรหันต์ประเภทวิชาสามเป็นต้นก็คือวิชาสามอะไรอีกอภินญาหกพวกเนี้ยปฏิสามพิธาสี่คัดเอาแต่อย่างนี้แล้วต้องทรงพระตายปิฎกด้วยนะทรงพระตายปิฎกบรรลุ ป, ปฏิสามพิธามีอนุภาพยิ่งใหญ่คือต้องเป็นระดับเจ้าหมูเจ้าคณะจริงๆต้องเป็นหัวหน้าใหญ่จริงๆ จ, งๆจึงจะจึงจะเอาเข้าพวกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์นะนะ ถามว่าเอ๊ะไปไม่ไม่ให้สังฆายนาขอฟังได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสวดกันออกหมดเลยเวนห้าร้อยรูปห้ามอยู่ในเมืองราชครึกทําสังฆายนาเมืองราชครึกนะเพราะฉะนั้นเวนห้าร้อยรูปนี้ซะไม่มีสิทธิ์จำบรญษาในเขตเมืองราชครึกเพราะฉะนั้นไปฟังยังอดเลยนะะมันถ้าจะได้ฟังเนี่ยนั้นต้องเป็นเทวดานอน่นะไปฟังเป็นพระภิกษุนี่ไม่ได้หมดสิทธิ์ฟังเลยเพราะเขาเขาคัดอะ่ะเขาไม่ยอมให้ พระทู่ตไปอยู่จำพรรษาในที่นั้นทีนี้พระผู้ทําสังขยานาเนี่ยนะโดยมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตัคธะโดยมากนะโดยมากคือหมายถึงว่าพระที่เป็นเอตัคธะที่ตายไปก็เยอะละ่ะแต่ว่าที่ยังไม่ตายเนี่ยนะที่ยังไม่ดับขนันธะนิพพานท่านเหล่านั้นจะมีสิทธิ์เป็นบุคคลชั้นต้นๆที่จะได้เข้าทําสังขยานาเช่นพระจุลบรรทกพระอนุรธุธะ พระมหากระสปะพระอนนท์พระมหากัจยนะพระทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นเอตทักษะจะมีสิทธิ์เข้าอย่างพระรัฐบาลเป็นต้นนี่นะแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นพหูสูตรเวลาทําสังขารนานะถ้าพูดผิดแม้แต่คำหนึ่งท่านรู้หมดอ่ะนะรู้หมดแล้วอย่างพระมหากัจยานะนะคํานั้นอ่ะท่านขยายได้ทุกคําอ่ะจะเป็นยังไงพระอนนท์เนี่ยความสามารถท่านว่าฟังหนึ่งบทคูณได้ห0 0 0ืบทอย่างเงี้ยนะ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 ที่เรียกว่าเด็กก็เนื่องจากว่าพระอานุนเนี่ตอนนั้นมีอายุ80แล้วใช่ไหมมีแต่พระนุ่มเนี่ยเดินตามใชพระสัมมาเนนนุ่มกับพระพิสุนุ่มเนี่ยติดตามพระอานุนซะส่วนใหญ่ตอนหลังพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานพระนุ่มเนนน้อยศึกหมดท่านพระมหากสปะท่านก็ตําหนินะว่าพระอนุนเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเลยมั้งกันพระนุนก็บอกผมศีรษะผมผมงอกแล้วนะบอกเป็นเด็กได้ไงเอาก็เที่ยวไปก็เด็กก็เป็นมันเด็กปละมั้งมันก็เลยนี่แหละ แล้วก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยมากและพระอ น, นุนเนี่ยเคารพพระมหากษะสปะมากนะเดี๋ยวถ้าหากว่าพระพระมหากระสปะเลือกไปเดี๋ยวจะเป็นที่คอรหาภิกษุทั้งหลายก็เลยเอขอร้องให้พระมหากษะสปะเลือกเอาพระอ น, นุ์เพราะว่าการสังขานาครั้งนี้เนี่ยเว้นพระอ น, นุนเนี่ยการสังขานาเป็นไปไม่ได้ไม่รอดแน่เพราะว่าไม่มีอะไรที่พระอ น, นุไม่ได้ยินเอาเอาไม่ได้ยินก่อนเพราะ พระนรเนี่ยก่อนจะอุปถากท่านขอพรไว้ข้อนึงว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงที่ไหนที่นั้นไม่มีข้าพระองค์อยู่พระองค์กลับมาต้องแสดงให้ข้าพระองค์ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิทธิพิเศษที่เรียกว่าใครอื่นเว้นพระนรนไม่ได้อันนี้พอท่างๆก็เลยร้อยกรองเพื่อจะทําสังขา ย, งข า, ยาพระวินัยเนี่ยนะคณะสงฆ์ก็เลยมีมติว่าได้โปรดเลือกเอาพระนรนด้วยเถอะพระนรนก็เลยได้ร่วมประชุมกับเขา ทีนี้ในหน้า200เอ่อขออภยัย124ข้างหน้าล่างๆกล่าวว่าลำดับนั้นพี่สุทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าเราจะช่วยกันสังขยนณาพระธรรมวินัยที่ไหนเล่าหนอก็ตกลงกันว่ากรุงราชคฤหกมีโครจรที่หาอาหารมากมีเสนาสนะมากอันนี้เป็นเหตุผลใหญ่ๆนะแต่จริงๆแล้วอุปถัมภ์ใหญ่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าปุตุชนที่เป็นที่เป็นปุชชนที่เลื่อมสายพระ พระัตนตรัยเนี่ยไม่มีใครเสมอด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วตอนนั้นเนี่ยนะพระราชายิ่งใหญ่ที่สุดคือกษัตริย์วงอื่นๆเมืองอื่นๆนะโดยมากปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตยอย่างเช่นเมืองไทยสาลีเนี่ยนะกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีใครเป็นใหญ่จริงเขาทุกคนเนี่ยจะปกครองแบบแบบคล้ายๆประชาธิปไตยแต่เฉพาะเอาเชื่อเจ้าอ่านะเมืองกุศินาราก็เหมือนกันอ่ะนะ เมืองกบิลพัฒน์ก็เหมือนกันปกครองแบบนั้นนะ น, นะก็คือเป็นคล้ายๆสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละแต่เครียกว่าสภาเจ้าเขาปกครองโดยสภาเจ้าแต่เมืองราชครลึกเนี่ยสภาอัตโนมัติคือพระเจ้าอาชาชาศัตรูเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าบอกว่าพอฟังว่าพระพุทธเจ้าดับขันปริญนิพานนี่เป็นลมเลยอะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่พระองค์ดับขันป ร, รินิพานเนี่ยอ ม, มาตก็ไปบอกอ ม, มาตก่อนจะบอกให้เตรียมรางน้ําเอาไว้เลยนะเขาบอกว่าให้พระองค์ให้พระเจ้าชาติศัตรูแช่น้ําไว้แล้วก็บอกว่าพระพุทธเจา้าดับขันป ร, รินิพานแล้วพระเจ้าข่าพอได้ยินก็สลบเลยตื่นขึ้นมาท่านว่าไงนะนะบอกพระพุทธเจา้าดับขันป ร, รินิพานแล้วก็ล้มสลบน่ยถามอยู่สามครั้งอนะให้แช่อยู่ในน้ําล้วเปลี่ยนน้าน้ําอุ่นขึ้นมาทันทีเลยตรงตรงที่พระเจ้าชาติศัตรูนอนอยู่เนี่ย คือกัศรัทธามากขนาดนั้นเนี่ยนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากอันนี้ก็นับอีกเหตุผลหนึ่งแล้วก็ปัจจัยสี่นี้ก็ก่อนข้างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าจะจําำรรษาณกรุงราชครึกทั้นใครที่ศึกษาประวัติในช่วงนี้เวลาไปเมืองราชครึกเนี่ยมีอะไรให้นึกเยอะมากเลยนะพ อ, อมาไปอินเดียนี่นึกได้อยู่แค่เมืองราชครึกเมืองอื่นนึกยังไม่ค่อยไปอ่ะนะเพราะเนื้อหาในเมืองราชครึกเยอะเหลือเกินเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสังขยาณาก็อยู่ที่นั่นวัด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 อันนี้ขนาดตัดชาดกไปบ้างเลยนะอันน้ให้ดูว่าภิกษุที่จะเข้าจําพรรษาทำสังคานาในเมืองราชครืก่ก็ห้ามพระภิกษุรูปอื่นเพราะว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นท่านตกลงกันว่าการทำสังคานาครั้งนี้เป็นถาวรกรรมถาวรแปลว่ากรรมที่มั่นคงเนี่ยนะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครเปลี่ยนแปลงกรรมนี้ถือว่าเป็นอาบัติเนี่ยนะห้ามเลยถือว่าเป็นถาวรกรรม บุคคลผู้เป็นวิสภาคะาไม่ถูกกันจะเพิ่งเข้ า, เ, าเข้ามาในถ้ำกลางสงแล้วหรือถาวรกรรมนั้นเสียเพราะฉะนั้นห้ามภิกษุชุดอื่นที่ไม่ได้ทำสังคยนาเข้าจำพรรษาในเมืองราชครึกเนี่ยนะด้วยการประกาศธุติยะกรรมมวาจาร์เนี่ยนะตั้งยติขึ้นมาเอาเลยว่า่าสุน า, าสุนาตุเมอาุโสติสังคสสะปตตกลังะนะาแต่สง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 ข้อหกร้อยสิบสี่เป็นต้นไปเนี่ยนะก็มีกล่าวเอาไว้ส่วนในที่อื่นๆก็มีในมหาปริณิพานสูตรบ้างเป็นบางส่วนในอัตถกถาพรหมชาลสูตรบ้างเป็นบางส่วนแล้วก็ตรงนี้เป็นบางส่วนเนี่ยนะแล้วก็ในอัตถกถาพระวินัยก็มีนะ ส่วนรายละเอียดนะนะหลังจากที่พระตถ า, าคตปรินิพานอันนี้เหตุในหน้า125นั้นก็กล่าวถึงที่เมืองกุสินาราว่าพระองค์ปรินิพานก็ก็มีการเล่นสาธุกีฬาเจวนันนะคื อ, คอหมายาว่าเป็นการแสดงที่เป็นพุทธบูชาเจวันเต็มหลังจากนั้นก็บูชาพระาธาตุอีก7วัน น, นะก็เป็นครึ่งเดือนแลใช่ไหม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 ก็กระชั้นชิดดีทีเข้าจําพรรษาท่านจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะพากันไปกรุงราชครึกก็พาโมภิกษุเครื่องหนึ่งเดินทางแยกไปทางหนึ่งแม้พระอนุรุธทธะเถระก็พาหมู่ภิกษุเครื่องหนึ่งแยกไปอีกทางหนึ่งพระอนนทเทระก็ถือเอาบาดจีวรนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระเด่นๆในตอนนั้นเนี่ยสามรูปใหญ่เนี่ยนะ ที่ที่มีอำนาจมากในสมัยนั้นนะคือพระมหากรสปะพระอนุรุ ธ, ธะและพระอานนท์ที่มีมีบทบาทมีอำนาจมากส่วนพระอน น, น์นี้ท่านก็ไปจาริกกลับไปเมืองสาวัตถีก่อนทีนี้สถานที่ใดก็ตามที่พระอานนท์ไปเนี่ยนะเสียงร้องให้คร่ำครวญรำพันขนาดใหญ่ขึ้นว่าท่านเจ้าค้า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 เราจักละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องเป็นอย่างอื่นความพลัดพลาดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ประชุมกันแล้วเนี่ยที่จะไม่แตกไม่ทําลายไม่มีรกักนะสังขารทั้งหลายก็ต้องมีความสลายไปเป็นธรรมดาผู้ใดจ ะ, ปะไปปรารถนาขอว่าสังขารทั้งหลายนะจงดํารงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ใช่ไหม ก็ปลอบใจมหาชนมหาชนก็สางโสกพอมหาชนก็กลับไปพระนรนก็ปัดกวาดเช็ดถูเคาะพระคันตกุตีเอาดอกไม้แล้วก็ร้องให้ซะเองอนะพอชาวบ้านก็ไปหมดพระร้องให้มัางนี่ยตอนปลอบใจชาวบ้านก็อยู่ในธรรมะใช่ไหมลืมธรรมะเลยคันนี้พระองค์ไปไหนะเนี่ยนะได้เวลาแสดงธรรมแล้วพระเจ้าข้าว่างั้นในเวลาจงกรมแล้วพระเจ้าค่าได้เวลาส่งน้ําแล้วพระเจ้าข้าทําไปร้องให้ไปเนะี่ย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 บูรณะวัดพระเชตวันเป็นต้นและวัดในเมืองสาวัตถีเพราะว่าเจ้าภาพใหญ่ตายนานแล้วนนี่อาณนะาถบินที่กะตายไปนานแล้วนะนี่ พ, พระอานน์นก็เลยต้องต้องเป็นเจ้านาะคอยสั่งนะี่คอยแนะนําชี้แจงบอกว่าเราจะต้องบูรณะปฏิสังขรวิหารนะเทนี้พูดถึงว่าเมื่อจวนใกล้เข้าพรรษาก็พระทั้งหลายที่ที่ได้รับการสมมติให้ไป ทำสังขยานาที่เมืองราชครือ ก, ก็ทยอยกันไปถึงเมืองราชครือกนี่พอไปถึงเมืองราชเครืกเนี่ยนะพอเข้าพรรษาในเมืองราชเครืกก็วัดเนี่ยโทรมมากเพราะว่าหลังจากพระองค์ดับขันพริณิพานไปเออพอพระองค์เนี่ยบอกว่าจะดับขั น, ร น, นพริณิพานท้าพิสูุ์ทั้งหลายไม่มีใครอยู่จํำวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะผ่านไปหกเจดเดือนเนี่ยนะวัดเนี่ยโทรมไปหมดเลย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 นนะวัดใหญ่สิบแปดวัดนะไม่รู้ว่าถ้าไปตอนนี้ไม่รู้จะไปไล่ครบหรือเปล่าว่าสถานที่ตรงไหนธรณีสงวัดเก่าเนี่ยนะนึกไม่ออกนะมีแต่ซากอิฐไม่หมดเลยคราดนี้ <c oughs> ก็เลยสมัยนี้เขาเรียกว่ารัฐแถวๆนั้นเรียกว่ารัฐพิหารขุดไปตรงไหนก็มีแต่อิฐมีแต่ที่วัดนะวิหารก็คือวัดนั่นแหละก็เลยรัฐที่มันมีวัดมากที่สุดในโลกเหมงอนกันคือรัฐพิหารรัฐพิหาร หลังจากนั้นก็ไปขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเป็นธุระในการบูรณะปฏิสังขรวัดเป็นเจ้าเจ้าภาพในการสร้างมณฑปที่ทำสังขยาหน้าถ้ำสัตบรัรญครูหาข้างเขาเวปุระบรรพตเวภาระบรรพตเนี่ยนะข้างภูเขาเวภาระบรรพตก็ทำสังขยาได้เป็นอย่างดีทีนี้คืนก่อนจะสังคยานาหน้า128่ดเนี่ยนะกล่าวถึงรวบรัฐไปเลยนะ คืนหน้าที่จะทําสังขายานาคืนหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทำสังขายานาวันนั้นอ่ะก่อนหน้านี้วันหนึ่งเนี่ยภิกษุหลายรูปเนี่ยก็ได้กล่าวกับท่านพระนนท์ว่าอนนท์พรุ่งนี้เป็นวันประชุมสงฆ์ตัวท่านเป็นเสฆะยังมีกิจที่จะต้องทําด้วยเหตุนั้นท่านไม่ควรจะไปประชุมขอท่านอย่าประมาทนะถ้าไม่เป็นพระหันท่านอย่าเข้าที่ประชุมเลยบางองค์นี่พูดคํานี้เลยนะ หมายภาอนนนี่สะเทือนใจมากพระทหารบางองค์ยังบอกมีบางรูปนะมาปล่อยกลิ่นแถวแถวนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็ถือว่ายังมีกิเลสนี่ก็ถือว่ามาปล่อยกลิ่นไว้แถวนี้นะภาอนนก็สังเวชมากเลยนะท่านท่านท่านอนก็ดําเลว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชมการที่เรายังเป็นพระเสขะไปประชมไม่สมควรเลยก็เลยยับยั้งอยู่ด้วยกายยคตาสติตลอดราตรีเป็นอันมากหมายว่า เดินจงกรมพิจารณาอาการสาสบสองเป็นหลักเนี่ยนะเรคิดดูนะพระอนน์เนี่ยทรงพระไตบิดดกไปหมดเลยนะท่านกลับมาเนี่ยคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมขนาดพระอนนท์ก็ยังเจริญอย่างนี้อยู่พระอนุรุธานะีถ้าดูในอนุรุธสังยุตถ้าอนุรุทาก็มากด้วยการเจริญกายคตาสติเหมือนกันท่านก็เจริญผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะโดยราตรีเป็นอันมาก จนถึงใกล้สว่างเกือบสว่างเลยนะตีสี3ตีสามตีสี่ยังไงเนะีท่านก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารนึกถึงนึกถึงกายหม้จะนอนพักรู้นะว่าร่างกายนี้อ่อนเพลียมากแล้วจิตทั้งสองก็ฟุ้งซ่านมันก็เลยจะพักสะหน่อยเท้าทั้งสองพลพื้นและศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างนั้นจิตก็ไม่ยึดมั่นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง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 อ น, นุนเธอมีบุญที่ทําไว้แล้วจงประกอบความเพียรเนืองๆก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะได้ฉับพลันขนาดมีบุญเก่านะต้องให้ประกอบความเพียรมากๆนช่ไหมเนืองๆก็แปลว่าบ่อยๆนี่ขนาดมีบุญเก่านะให้เพียรไว้เยอะเธอจะบรรลุไม่ยากอ่ะ น, นะบรรลุได้อย่างรวดเร็วว่างั้นถ้าผู้บุญน้อยๆลนะ่ะไม่เพียรด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะขนาดผู้มีบุญมากระดับพระนอนุยิ่งเพียรเกือบทั้งคืน ก่อนหน้านั้นไม่พูดไหมอันนี้พูดเฉพาะคืนสุดท้ายนะว่าท่านเนี่ยเพียนมาขนาดไหนทีนี้ท่านก็คิดต่อไปว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสไว้ไม่ผิดเราประคองปรารบความเพียนเกินไปด้วยเหตุนั้นจิตของเราจึงเป็นไปในทางฟุ้งซ่านใช่เพราะว่าถ้าวิริยินทรีมากวิริยินทรีเกินไปอุทธจกัมเรบสมาธินทรีมากเกินไปถีนมิทะกําเรบ สัตทินรีมากเกินไปงมงายปัญญีซีมากเกินไปโกงขี้โกงเหือนนเถอะเพราะฉะนั้นก็เออรีนี้จะต้องพอดีกันนะแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าท่านมากไปด้วยวิริย์ีเพราะฉะนั้นจิตจึงฟุ้งซ่านเอาเถิดจำเราจะประกอบความเพียรแต่พอดีจึงลงจากที่จงกรมยืนนะที่ล้างเทา้าล้างเทา้าแล้วก็เข้าวิหาร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 ก็ไม่รู้จะเรียกอิริยาบทไหนนั่งก็ไม่ใช่นอนก็นไม่เชิงยืนอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอนๆน่ อ, น, อะนะบรรุเลยแต่หมายความว่าอินทรีย์เนี่ยประชุมพร้อมกันในตอนนั้นนะในฐานะผู้เรียนมากเป็นพระหูสูรมากไม่มีอะไรที่ท่านไม่เข้าใจกรรมาฐานที่พระพิสุเรียนทั้งหลายสมัยพุทธกาลนะพระอนุนรู้หมดเนีย่ยนะขนาดนั้นท่านก็ ต้องรู้จับปลอมบ่มอินทรีย์ปรับอินทรีย์อะไรอ่อนอะไรกลา้าเป็นต้นก็รู้นะของเราทั้งหลายเนี่ยนะใจก็อยู่กับเราใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอ่อนอ่นนะอ่อนทุกอย่างเลยใช่ไหมเรือมีส่วนไหนอินทรีย์ไหนแข็งว่าเพื่อนเลยนะสัตว์ทินรียนึกพระพุทธเนึกถึงพระพุทธเจ้าปีติเลยอ่า น, นะสัตว์ทินรีย์อนนะะน ปุการต้องข่มตีติเลยนะเมื่อวานอสัดทินรีมันวันนี้ก็ขมขมไปบ้างแล้วกันนะก็เพราะพวกมีสัดทินรียมันก็มีทุกวันนั่นแหละไม่ใช่มีเป็นครั้งคราวแล้ววิริยินรียสติินรียสมาทินรีและปัญยินรียตัวอีกครั้งหนึ่งนะสัดทินรียเห็นที่ไหนดูได้ที่ไหนโสตาปฏิยังค้าธรรมซวิริยินทรียดูจากสัมประธานซสติินรียดูจาก สติปฐานสี่สมาธิสีดูจากฌานสี่ปัญญสี่ดูจากอริยสัจ ส, สี่ น, นะก็ไปทบทวนดูตามนั้นเอากันแล้วกันว่าเกือบบรรลุหรือยังยนนะทีนี้วันที่สองพระพิสุเทระทั้งหลายฉันท ต, ตาหารเก็บงาบาทจีวรก็เข้าที่ประชุมธรรมสภา ท่านพระนนเถระประสงค์จะให้สงรู้ถึงการบรรลุพระอรหันต์ของตนจึงไม่ไปพร้อมกับพิสุทั้งหลายก็พระพิสุก็จะมานั่งตามอาสนะตามลําดับอาวุโสหมายว่านั่งตามลําดับพรรษาเนี่ยนะพรรษามากนั่งโน่นข้างหน้าพรรษาน้น้อ ย, อยก็นั่งรองลงมารองลงมาก็นั่งเว้นอาสนะของพระอนนเถระเอาไว้ที่นั้นเมื่อพระเถระบางเหล่าถามว่านั่นอาสนะของใครก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระนน ทา่านพระนนท์ไปไหนล่ะพระนนท์ก็ได้ยินด้วยหูทิพย์เลยใช่ไหมเพราะท่านบรรลุเป็นพระาหัน์ประเภทอัพินญาวหกด้วยเนี่ยท่างท่านก็มีหูทิพย์และพระาหันเคุยกันที่ไหนท่านรู้หมดนะท่านนี้ท่านก็เลยสําแดงอนุภาพของตนดำดินตาอัตถะถาบางท่านก็บอกว่าเหาะมาก็มีบางท่านก็ว่าเคารพสงฆ์ก็ดำดินมานนจะเหาะข้ามหัวพระถรารูปอื่นมาได้ยังไงอย่างนั้น แต่ว่าถ้าตามมาตินี้ท่านถือเอาว่าท่านดำดินมาเพราะว่าความเคารพในพระรหันรูปอื่นๆเนี่ยนะมีพระมหากระสปะเป็นต้นเนาะนัแะแต่ถ้าหายตัวมานะจะสวยที่สุดเลยนนะ <c oughs> ไม่ต้องก้มให้พระอ่อนพรรษากว่าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกถ้าถ้าเหาะมาก็เหมือนกับว่าอยู่พระเหนือกว่าพระที่ทรรษามากกว่าใช่ไหมถ้าหายตัวแล้วมาแั๊ดตรงนั้นพอดีเลยสวย ทีนี้หลังจากที่ประชุมการเบ็ดเสร็จก็มาควรคสนทนากันว่าจะทําสังขยานารายกรพิสูจน์ทั้งหลายก็เรียนท่านพระมหากระสปะว่าธรรมดาว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่ศาสนาก็ชื่อว่ายังดํารงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสังขยานาพระวินัยก่อนศีลเนี่ยสำคัญนะวินยัยที่เตศาสนางังที่ตังมิเนโยศาสนาสษอายุเนี่ยนะวินัยเป็นอายุของศาสนา ถ้าภศาสนายังถ้าวินัยยังอยู่ศาสนาก็ยังชื่อว่ายังอยู่ก็เห็นชัดนะว่าบุคคลใดถ้าศีลยังอยู่อย่ากล่าวว่าสิกขาสาอื่นๆจะไม่อยู่แต่ถ้าศีนหายไปสิกขาอื่นๆก็อยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนว่าถ้าศีรษะยังอยู่นะวางเงื่อนไนะพูดแบบโดยรวมๆนะถ้าศีษายังอยู่ก็ชื่อว่าชีวิตยังอยู่ใช่ไหมถ้าศีรษขาดแล้วล่ะ ไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วพระวินัยนี่มีความสำคัญเท่ากับศีศีระเลยนะศีศะเพราะว่าเป็นชีวิตเป็นอายุเป็นเป็นตัวที่จะทำให้าศาสนาดํารงอยู่ทีนี้ถามว่าจะให้ใครเป็นธุระในการสังขยนาพระวินัยพิสูจทั้งหลายก็เรียนว่าท่านพระอุบาลีันนะถามว่าเอาพระอนุนไม่มีความสา ม, มารถหรือบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย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 พระวินัยได้เยี่ยงพระพุทธเจ้าว่างั้นเพราะฉะนั้นก็พระเถระคือพระมหากรสปะก็สมมุติตนเป็นเพื่อถามพระวินยัยพระอุบาลีก็สมมุติตนเพื่อตอบพระวินยัยทีนี้นเขาก็มีการพระเดียงสงก็คือพระเดียงหมายถึงบอกกล่าวให้สงราบวัตสุนาตุเมอาวุโสสังโฆยติสังคสสะปตกกลังอาหารอุปาลิงวินยังปุจฉยยังเนี่ยนะ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 แต่ท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าถ้าว่าสงพรพรพ้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัะสตะถามแล้วจะตอบพระวินัยก็มีการถามการตอบพระวินัยสรุปง่ายๆถามตอบมาเป็นวินัยถ้าเป็นฉบับ45เล่มก็8เล่มฉบับเราที่ใช้กันอยู่นี่ก็10เล่มเนี่ยนะถามตอบพระวินัยอยู่10เล่มด้วยกันท่านถามตอบถามตอบถามตอบมานะของเราอ่านอ่นอ่านก็ยังไม่ค่อยจะจบเลยนะคิดดู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 ธรรมะเช่นอาธิตตปริยัจซูเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับพุทธประวัติบางเรื่องเนี่ยเขาเดินเรื่องตามพระวินัยนะแล้วยกมาจากพระวินัยถ้าเราเรียนพระวินัยเนี่ยเช่นตั้งแต่แรกตรัสรู้เป็นต้นมาเนี่ยที่เล่าเป็นลําดับเป็นลําดับจริงๆอยู่ในพระวินัยถ้าเป็นพระสูตรนี้เป็นการ เ, าเรียบเรียงอีกวิธีหนึ่งไม่ได้เรียบเรียงตามความเป็นไปเนี่ยนะไม่ได้เรียบเรียงไปตามลําดับเรียบเรียงพระธรรมตามหมวดตามหมุงนั่นเนอะ